ตอนที่เจิโจเจียนเย่เสียใจภายหลังจะพูดอย่างไรก็เป็นเพราะเรื่องเงินทั้งนั้นยามสามีภรรยาตกยากทุกเรื่องราวล้วนกลายเป็นความโศกเศร้าลิวเคอเคอร์อเห็นเขาเตรียมจะจุดฐานก้อนต่อควันหนาทึบที่ลอยขึ้นมาทําให้เธอสำลักจนไอออกใหม่อีกครั้งแคกแคกโจเจียนเย่ดูเหมือนจะราคาญขึ้นมาเช่นกันเขาสะบัดเท้าเตะฐานก้อนทิ้งไปทันทีพลางพึ้มพํมดออกมาคําหนึ่งแม่งเอ๋ย ลิวเคอเคยเอาผ้าห่มพันกายไว้แต่ทั่วร่างยังคงหนาวสั่นอย่างรุนแรงในเวลาสั้นๆไม่อาจทําให้อุ่นขึ้นมาได้เลยอุณหภูมิในห้องไม่ต่างจากข้างนอกที่สําคัญคือตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูหนาวหากถึงช่วงที่หนาวที่สุดจริงๆไม่แคลต้องหนาวตายกันไปข้างหนึ่งแน่เธอหนาวจนน้ำมูกไหลจมูกแสบจี้จนอยากจะร้องให้ออกมาโจจี้นเย่เคยีผมด้วยความหมงุดหงิดเคยๆยังไงก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวข้าไปต้มน้ําร้อนให้เจ้าทํามือเท้าให้อุ่นก่อนเถอะเมื่อสองวันก่อนหิมะเพิ่งตกฟืนที่บ้านเราจุดไม่ติดหลอก ท่านอย่าเสียแรงเปล่าเลยอาหารเย็นของพวกเขาล้วนไปกินที่โรงอาหารเขตทหารหลิวเคอเคอร์เอ่อยเตือนโจโจี้นเย่ยเพิ่งตระหนักไดในทันทีว่าที่แท้ในบ้านมีความลำบากในการใช้ชีวิตมากมายถึงเพียงนี้สภาพความเป็นอยู่ในเมืองย่อมดีกว่าในหมู่บ้านอย่างน้อยพวกเขาก็ยังซื้อถ่านก็ได้ตอนที่หลีชิงทิงกับหลีหวันอยู่บ้านนอกเกรงว่าแม้แต่ถ่านก้อนก็คงไม่มีแล้วสองแม่ลูกนั่นผ่านด้วยดูหนาวมาได้อย่างไร โจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดมีหน้าเล่าตอนที่เขากลับไปหลังปีใหม่เขามักจะเห็นแพรหิมกัดบนหลังมือของหลีชิงถิงเสมอเมื่อคิดได้เช่นนี้ในใจของโจวเจี้ยนเ ย, ย่ก็พันรู้สึกเจ็บแปล์ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเป็นความรู้สึกเช่นไรเจี้ยนเย่ยคืนนี้พวกเราทนไปก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยหาทางใหม่หลิวเคอเคอร์อรู้ดีว่าคำพูดนี้เป็นเพียงการปลอบใจโจวเจี้ยนเ ย, ย่เท่านั้นตอนนี้จะยังมีวิธีอะไรอีกวิธีที่คิดได้ก็ลองไปหมดแล้ว โจจี้นเยีย่ขึ้นเตียงไปอบกอดลิวเครอรเครอเอาไว้เจ้าถอดเสื้อนอกออกก่อนข้าจะช่วยทำให้อุ่นเองหลิวเคอเคอร์อสอดมือเข้าไปใต้เสื้อไหมพรมของเขานิ้วมือที่เย็นเฉียบจนไร้ความรู้สึกค่อยๆกลับมามีความรู้สึกอีกครั้งเคอเคอข้าไปของเงินจากหลีชิงผิงไม่ได้นี่คือสิ่งที่ข้าติดค้างสองแม่ลูกนั่นโจจี้นเยี่หลับตาลงพลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะค่อยๆผ่อนออกมาสิ่งที่ข้าติดค้างพวกนางชาตินี้ทั้งชาติเกรงว่าคงชดใช้ให้ไม่หมดแล้ว ลิวเคอเคอประหลาดใจที่โจจี้นเี้พูดจาเช่นนี้ออกมาท่านไปทำผิดต่อพวกนางที่ไหนกันลีชิงผิงอยู่บ้านนอกพวกนางจะลำบากได้สักแค่ไหนท่านแม่ของท่านไม่ได้บอกหรือว่าเป็นปัญหาที่ตัวนางเองทำไมท่านถึงกลับมาคิดแบบนี้อีกนี่เขาเริ่มคิดถึงความดีของอดีตภรรยาอีกแล้วหรือท่านแม่หลอกข้ามาตลอดโจจี้นีขมวดคิ้วแน่นน้าเสียงของเขาดูร้อนรน ลี่ชิงพิงไม่ใช่คนแบบที่ท่านแม่พูดเลยสักนิดท่านแม่ไม่ชอบนางถึงได้สาดครนใส่นางไม่หยุดหลายปีมานี้นางต้องลำบากเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านนอกเพียงลําพังท่านแม่ก็ไม่ให้เงินนางคิดดูเถอะว่าหลายปีมานี้จะใช้ชีวิตยากลําบากเพียงใดพอเขาเรื่องฆ่าตายปลอมๆแพร่ไปถึงหมู่บ้านท่านแม่ก็เลยสองแม่ลูกนั้นออกจากบ้านทันทีโชคดีที่ไม่ได้ผ่านด้วยดูหนาวที่หมู่บ้านในอย่างนั้นด้วยดูหนาวปีนี้พวกนางคงต้องหนาวตายแน่แน ลิวเคอเคอได้ยินเขาพูดถึงตรงนี้ในใจก็พันเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างประหลาดนี่เขาเสียใจที่อยากกับลีชิงถิงแล้วหรือเจียนเย่ยเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะตอนนี้คนที่อยู่เคียงข้างท่านคือข้าทำไมท่านถึงไม่รู้จักสงสารข้าบ้างลิวเคอเคอเอื้อมมือไปคว้าเสื้อของโจเจียนเย่ยโดยสัญชาตญาณน้ำเสียงสันเครือด้วยความน้อยใจลีชิงถิงไม่ได้รักท่านเท่าไหร่หรอกหากนางรักท่านจริงๆไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนนางก็ต้องทนอยู่ต่อไปได้ข้าสิที่เป็นแบบนั้น ขอเพียงข่าเลือกท่านแล้วไม่ว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนข้าก็ยอมทั้งนั้นเคิร์เคิพวกเราเพิ่งแต่งงานกันได้นานแค่ไหนเจ้ากล้าพูดหรือว่าในใจไม่มีความแค้นเคืองต่อข้าโจเจี้นเย่ยรู้ดีว่าหลิวเคิร์เ ค, คมีตั้งแต่แต่งงานกันมาพวกเขาต่างก็ได้เห็นด้านที่เลวร้ายที่สุดของกันและ ก, กันแล้วหลิวเค่อเคิร์เงียบไปโจจี้นเย่ยกยิ้มเหยาะยันที่มุมปากมีความแค้นเคืองก็เป็นเรื่องปกติเป็นปัญหาที่ตัวข้าเอง หากเขาสามารถจัดการเรื่องเหล่านี้ให้ดีหลีชิงพิงกับหลีหวานก็คงไม่เกลียดเขาถึงเพียงนี้น่าเสียดายที่ตอนนี้จะชดเชยก็สายไปเสียแล้วหลีชิงพิงแต่งงานกับเจิ้งหยุนชงไปแล้วคิดว่าพวกนางคงมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้พบกันมุมปากของหลีชิงผิงมักจะมีรอยยิ้มประดับอยู่เสมอเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงโจวเจี้ยนเย่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกขมขื่นในใจเขากำลังจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วไฟบนเพดานก็ดับลงดังแป๊กไว้ Why? หลิวเคอเคอตกใจจนโผลเข้ากอดโจเจีนเยี่ยเกิดอะไรขึ้นท้าไมไฟถึงดับประทันหันแบบนี้โจจีนเย่รอบมองแสงไฟจากบ้านเพื่อนบ้านที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาสงสัยเงินค่าไฟจะหมดแล้วไม่มีเงินค่าทำความร้อนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพาลู้เกิดมาก็ยังมีค่าใช้จ่ายก้อนโตรออยู่อีกไหนจะค่าเช่าบ้านรายปีอีกหลิวเคอเคอร์อไม่เคย ร, รู้สึกว่าเงินในมือจะฝืดเคืองขนาดนี้เมื่อก่อนเธอทรมาบากได้แต่ลูกในท้องทนไม่ได้ ลิวเครครคว้าตัวโจจีเียนเยี่ยวไว้ไม่ให้เขาไปจุดเทียนนอนก่อนเถอมีอะไรค่อยว่ากันพรุ่งนี้โจจีเอยนเยีย่ตบหลังเธอเบาๆเป็นการปลอบโยนอื่มได้นอนเถอะเงินเพียงอีแปดเดียวก็ทําอวีรบุรุษจนแต้มได้โจจีเอียนเยีย่คิดจะขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าบางส่วนมาจ่ายค่าไฟแล้วค่อยกอเตียงข้างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความอบอุ่นในปีนี้แต่หัวหน้ากลับปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาที่พูดยากกันทั้งนั้นหากข้าทำเป็นกรณีพิเศษให้เจ้าและคนอื่นมาขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าบ้างข้าจะทำอย่างไรผู้พันครับผมขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวตอนนี้ผมลำบากจริงๆท่านช่วยผ่อนปรนให้หน่อยเถอะครับโจจี้นเ ย, ยกัดฟันพูดขอร้องน้ำเสียงขอร้องลรอครับมีผมกำลังท้องตอนนี้ต้องมาลำบากกับผมผมจะหนาวจะหิวอย่างไรไม่สำคัญแต่จะให้พวกนางหนาวไม่ได้คนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกัน กฎก็คือกฎโจเจี้เยอาปากจะพูดต่อแต่ผู้พันซูกลับพูดแทรกขึ้นมาเจียนเ ย, ยเริงคีบานเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังจัดการเรียบร้อยแล้วครับโจเจี้เย่พยักหน้าหงึกหงักท่านวางใจได้ตอนนี้มีภารกิจสําคัญอะไรให้ผมทมําไหมครับผมว่างครับไม่มีภารกิจอะไรเจ้าพักผ่อนอยู่ที่บ้านเถอะผู้พันซูโบกมือส่งสัญญาณว่าหากไม่มีอะไรแล้วก็ให้ออกไปได้ โจจีนเ ย, ย่ไม่มีภารกิจมาสองเดือนติดต่อกันแล้วอยู่ในกองทัพถ้าไม่ฝึกซ้อมก็คือฝึกซ้อมการไม่ได้ออกไปทําภารกิจหมายความว่าจะไม่มีเงินสวัสดิการหรือเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่นๆโจเจีนเยี่ยยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมผู้พันซูครับโจเจีนเยี่ยผู้พันซูตว่าเสียงกร้าวข้าพูดชัดเจนขนาดนี้แล้วทําไมเจ้าถึงยังไม่เข้าใจอีกตอนนี้เรื่องส่วนตัวของเจ้าก่อเรื่องอื้อฉาวไปทั่วเขตทหารหากข้ายังมอบหมายภารกิจให้เจ้าอีกข้าจะไปตอบคนอื่นได้อย่างไร ผมมีความสามารถใครไม่พอใจก็ให้มาหาผมได้โดยตรงเลยมาหาเจ้าเพื่ออะไรมาหาเรื่องทะเลาะกับเจ้าหรือไงผู้พันซูแค่นเสียงเหอะตอนนี้เจ้ารู้จักแต่จะทําความผิดเบื้องบนสั่งให้เจ้าสงบสติอารมณ์นะถูกแล้วอย่ามาต่อรองที่นี่รีบกลับไปสํานึกผิดให้ดีซะโจเจียนเ ย, ย่ไม่ได้เงินกลับไปเมื่อเขากลับไปก็ต้องเผชิญหน้ากับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความผิดหวังของหลิวเคอเคอร์ศักดิ์ศรีในฐานะลูกผู้ชายของเขาถูกเหยียบย่ำจนแทบไม่เหลือชิ้นดี